จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้พุทธภาสิตรู้สึกว่าวันนี้สัญญาณเสียงของอาจารย์จะผิดเพี้ยนอีกแล้วนะคะ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 พิการข้างนอกกับพิการข้างในนมันต<ข>่างกันมีชั้นนอกชั้นในอีก่ า, ากนะคะพิการข้างนอกเนี่ยใครๆก็เห็นได้ <_ S 2> ไอ้ไอว่ามันไม่ปกติเดินไม่ได้ยืนไม่ได้ก็ได้แต่เพียงแค่นอนกับนั่งโอ้นี่ไม่ปกติแล้วจะทำอะไรก็จะไม่สมบูรณ์แบบมีข้อบกพร่องมากมาย <_ S 2> แต่เรื่องของข้างในเนี่ยเราต้องสนทนาก <_ S 2> <_ S 1> ันพูดคุยกันอยู่ที่กันแล้วก็จะเข้าใจญาติธรรมหลายท่าน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 อาจารย์จะเปลี่ยนมุมค่ะอาจารย์จะเปลี่ยนมุมเป็นผู้ที่ความน่าสงสารลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆแล้วคนที่มาหามาเยี่ยมมาคุยมาปรึกษาหารือก็จะเพิ่มความน่าสงสารขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ร่างกายแข็งแรงสมปบูรณ์ทุกอย่างแต่ความทุกข์โถมทับจิตใจซะนี่กระไรฟังไปฟังมาคนดูนี่ก็ต้องเปลี่ยนฝั่งให้ความน่าสงสารไปอยู่อีกฝากนึงอะคะ่ะ <c oughs> ซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เนี่ยกล่าวได้ไหมคะว่า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 มันอย่างกับผมนี่ถ้าจะเป็นการแสดงละครก็เล่นละครไม่สมบทบาทปกติคนที่มีร่างกายไม่สมประกอบเนี่ยใจมันต้องเป็นทุกข์ด้วยเขาเป็นของคู่กันเหมือ น, น อ, อะไรกับคู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหะร่างกายเป็นทุกข์กายมันก็เป็นทุกข์ <c oughs> เรื่องธรรมดาค่ะ <c oughs> ทีนี้การเปลี่ยนแปลงในธาตุเช่นเนี้ยมันเริ่มจากการที่ศึกษาเรื่องของจิตทําความเข้าใจเรื่องของจิตว่าความเป็นมาที่แท้จริงนั้นจิตมันเป็นอย่างไรค่ะ <c oughs> มันต้องศึกษาเขาเรียกว่าการฝึกจิตที่จริงการฝึกจิตเนี่ยจิตเนี่ยมันไม่ต้องไปฝึกเพราะจิตเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะอ้าวมันดีอยู่แล้วจะไม่คานกับพุทธภาษิตซะแล้วเหรอคะว่า <c oughs> จิตไม่ต้องฝึกาฟังโดยก่อนจิตเราเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่ว่าไอ้เพราะว่าของจิตดีอย่างเงี้ยเราไม่สามารถจะรักษามันได้อาจารย์ยต้องพูดอย่างนี้แบบค่ะอเหมือนเดิมไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยจิตเนี่ยไม่ต้องฝึกให้ดีเพราะพื้นฐานเดิมเนี่ยเขาดีอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่า เขาดีไม่นานดีชั่วครั้งชั่วคราวรแล้วการฝึกนี่คือฝึกให้ดีสม่ําเสมอหรือว่ายาวนานขึ้นอย่างนั้นได้เปล่าคะเพราะว่าจิตเนี่ยพื้นเพย์เขาเนี่ยบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไม่ดีนั่นก็คือสิ่งที่จรมาสู่จิตจิต ด, ดีแต่ว่าสิ่งที่จอนมาสู่จิตเนี่ยมันไม่ดีคืออารมณ์คือความคิดพื้นฐานจิตนะตดีด แต่สิ่งที่จอนเข้ามาเนี่ยไม่ดีก็เลยมาเคลือบมาแฝงมาย้อมให้จิตที่พื้นฐานดีอยู่แล้วเนี่ยเรียกว่ามอมแมมไปเศ้าหมองไปจะว่าเชื่ก็ได้ว่าจิตมันดีอันนี้สายเราไม่ดีนี่สัยเราไปเชื่อความรักความรอบความโกรธความหลงอารมณ์ทีต้อนเนืาองหล่ะเราไปเชื่อตรงนั้นซึ่งจอนมาทําให้จิตเนี่ยมัวหมองไปชั่วขณะหนึ่งแล้วก็จะจอนออกไปคพอจอนออกไปแล้วจิตมันก็ดีเหมือนเดิมอันที่จริงแล้วเนี่ย มันจะว่าไปจิตมันก็คือจิตเขามีความเป็นผ่องใสแบบนั้นอยู่แล้วแต่อารมณ์ที่จอมาสู่จิตเนี่ยมันไม่ใช่จิตมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจิตก็คงเป็นจิ ต, จตมันเดิมไม่อย่างกับไอเนี้ยแก้วน้าเนี่ยแก้วที่ใส่น้ําเต็มเนี่ยเราดูเถอะปกติแก้วเนี่ยมันว่างาแต่ที่เวลามีน้ําเนี่ยเพราะว่าเราน้ําเข้ามาใสา่จึงกลายเป็นแก้วน้ําแก้วจึงไม่ว่างแต่ดูจริงๆเน่ยแก้วก็คือแก้วน้ําก็คือน้ํา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 ปัจจัยตัวนี้ใส่เพราะไม่มีใครสามารถฝึกจิตได้ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับจิตให้พ้นทุกข์หรือหลุดพ้นได้เพียงว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้จิตทํำ<า>ง<ม>าเ ข, ข้าใจกับจิตให้ถูกต้องบังคับไม่ได้แต่เรียนรู้ก ล, ล, ลับเปลี่ยนได้ครับการเรียนรู้การเข้าใจจิตนั้นมันนําให้อารมณ์เนี่ยแม้จะผ่านมามันก็ยอมย้อมจิตย้อมใจไม่ได้มันก็จะผ่านไปจิตก็คือกลายเป็นจิตเหมือนเดิมเนี่ยเพราะนั้นการฝึกจิตคือการ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 นั่นกระบวนการฝึกจริงนี้มากมายมากอันนี้ถืว่าเป็นกระบวนการเป็นการสั่งสมประสบการณ์ทักษะการเรียนรู้เนี่ยอันนี้ถืว่าเป็นการฝึกจิตที่เรียกว่าเป็นการฝึกจิตฝึกจิ ต, จตที่จริงฝึกขัดดันนีสายเรานั่นเองฟังอาจารย์พูดตรงนี้แล้วก็นึกถึงคําถามที่อาจารย์ถามครูฝึกสอนเสือที่เราไปดูในโชว์เสือที่สวนเสือสีราชานะคะครับ อาจารย์ไปถามครูฝึกเขาว่าระหว่างการฝึกเสือกับการฝึกใจของเราเนี่ย <c oughs> อะไรยากกว่าคาถามที่เราถามไปเนี่ยทาให้เขางงนะ <c oughs> เขาอึ้งเลยนะคะอึ้งกิมกีเลยค่ะ <c oughs> ไม่นึกว่าจะมีมนุษย์ใดมาถามคาถามเยี่ยงนี้นะคะ <c oughs> เขาอึ้งอยู่พักๆหนึ่งแล้วเขาก็ตอบว่าฝ <c oughs> ึกใจตัวเองยากกว่าครับเนี่ยผมนั่งดูที่เขาแสดง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 ตอนแรกเราก็เื่อโจมเออเสือเนี่มันฝึกง่ายเนาะมันไม่ดุร้ายที่เราคิดเลยก็ไปชื่นโจมยินดีกับเสือต่อมาเอ๊ะความเก่งนี่ไม่ใช่เสือเธอแล้วคคนฝึกต่างหากที่เก่งเมื่อที่เก่งสามารถฝึกสัตว์ที่ดุร้ายให้เชื่องยิ่งกว่าแมวได้เนอะซึ่งแมวนี่ฝึกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอมไม่เคใครฝึกแมวให้ยืนสองขาได้แมวนี่มันดื้อพอดึงหางมันจะไปทางหัวพอดึงทางหัวมันจะถอยหลังคแล้วพอรูปหลังมันเอาท้องติดดิน พอรูปทองมันก็ยกก่งตัวขึ้นจับมันโยนให้หัวลงมันก็อาขาลงโอ้แมวเนี่ยฝึกยากมึกไม่ได้แต่เสือฝึกได้เพราะฉะนั้นคนฝึกเสือเนี่ยต้องเก่งก็เราอยากจะถามา ก, ารรก็ในเรื่องของการฝึกเลี้ยงเขาคนออกไปแล้วก็ไปคุยเขาการฝึกเสือเนี่ยมันยากไหมยากเทคนิคการฝึกเสือมีอะไรบ้างเขาก็บอกเทคนิคเทคนิคเนี่ยดีนะเขาฝึกบอกว่าเราต้องรู้จักธรรมาชาติของเสือแล้วก็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 มันไม่เพียงแค่2 อ, อย่างแไม่เพียงแค่ทำความเข้าใจหรือคุ้เคยเราต้องมีความเพียรด้วยมีความขยันมีความอดทนไม่ท้อแท้ต้องมีความกล้าหาญ ร, รู้จักสังเกตเนี่ยอันนี้เราคิดเติมลงไปนะสักพักหนึ่งล้วก็ถามคําถามที่ตอนแรกก็ไม่ค่อยกล้าถามกลัวเขาจะคิดมาก็บทถามจริงไระหว่างเราเนี่ยไปฝึกเสือก็ฝึกใจเราเนี่ยอะไรมันยากกว่ากัน ก็งงใ้่ไหมก็นต๋ไม่เคยมีใครมาถาม <c oughs> คําถามนี้นะคะคือถามด้เพื่อความรู้นะค่ะความรู้แต่เขาเคงไม่เคยถามตัวเองเลยนะคะไม่เคยแล้วเขาก็หยุดคิดแต่ข้อตอบด้วยความยืนยันใว่าการฝึกใจนี่ยากมากแล้วก็อนุโมทนาสาธุสิ่งที่เขาตอบมาเนี่ยมันเป็นจะเรียกว่าเป็นสัจธรรมก็ว่านะฝึกใจตัวเองเนี่ยยากกว่าฝึกอะไรทั้งสิ้นคนเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยฝึกใจตัวเองมักจะไปเฟื่อ ย, อ ค, ยคนอื่น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 ถ้าจิตสงบจริงแล้วก็จะได้มีความสุขมีความสบายอันนี้คือความคิดที่ทําให้จิตไม่สงบนั่นกันเลยถ้าเรารู้จักยอมรับว่ า, า อ, อ๋อจิตมันก็เป็นเขาอย่างนี้แหละเอาฟุ้งเดี๋ยวมันก็หายฟุ้งมันจะได้เกิดปัญญารู้าทาันจิตว่า อ, อ๋อจิตเขาเป็นอย่างนี้เองเราไม่สามารถจะบังคับควบคุมจิตได้แต่รู้ทันแล้วก็จะรู้จักปล่อยวางปล่อยให้จิตเป็นจิตให้ลมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราจะเกิดปัญญาเกิดการเรียนรู้เกิดทักษะแต่ถ้าเราไปฝึกจิตว่า พอจิตฟุ้งไม่ดีแล้วไม่ชอบแล้วเราก็จะไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าเริ่มฝึกเริ่มดูจิตจิตมันสงบอ๋อเราสบายนั่นหารู้ไม่ว่าจิตยังไม่แสดงพฤติกรรมอะไรออกมาคเราก็ว่าอ๋อนี่เราสบายแล้วฝึกได้แล้วหลุดพ้นแล้วมันไม่ใช่ยังงั้นแต่พอเราเผลอพอจิตแสดงอาการออกมาเนี่ยมีทั้งความโกรธความทุกข์ความท้มทอแท้อะไรตั้งหลักไม่ทันเพราะฉะนั้นการฝึกจิตถ้าจิตมันวุ่นวายสับสนดีนั่นล่ะ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 เขาดูร้ายขึ้นมาจะสู้เขาไม่ได้นะเขนก่งเขานิ่งอาจจะขี้เกียจลาการแต่ถ้าบันไดหนึ่งเขาดูร้ายขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะเสียท่าพลาดได้ไๆพลาดลนงับเอามือล้วงมังับมือก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการฝึกจิตการที่จะเรียนรู้เรื่องจิตเนี่ยทั้งสำคัญมากเราไม่สามารถที่จะฝึกแค่แรงใจเราได้หรือไปบังคับจิตให้นิพพานได้แต่เราศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจว่าอ๋อจิตเขาเป็นอย่างนี้เองค จิตก็ เ, เป็นนี้เองจิตเขาเป็นปกติอยู่แล้วแต่ที่ไม่ปกติเพราะว่านิสัยของเราะจะได้รู้จักปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอะไรบางอย่างที่ค้างกาใจาเอาไว้สุดท้ายนี้ต้องแยกกันระหว่างจิต <c oughs> อันมีพื้นฐานดีอยู่แล้วของบุคคลกับอุปนิสัยของบุคคลที่ขยันจะให้สิ่งที่จอเข้ามาผ่านเข้ามากระทบแล้วกระเทือนหรือว่าแปดเปื้อนมอมแแมมไป